อารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องสมเด็จระญินาสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งหรือว่าร า, าโทสะคี้ไฟก็โทสะเป็นเป็นเหตุสร้างความเล่าร้อน <c oughs> แปลการบัณทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธ มีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปราถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาอารมอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผน ตอนวางแผนนี่ต้องใช่อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลยเมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับมันก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิดม่นเกิดเพราะอาศัยความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทาอันตรายบุคุณอื่นเข้า รู้ว่าไปทําสิ่งที่ไม่พอใจเกลดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่ส บ, บายจะนอนก็ไม่ส บ, บายจะหลับก็ไม่ส บ, บายจะตื่นก็ไม่ส บ, บายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขพเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภยัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทําอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้ นี่แบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความยำบาตเป็นเครื่องบัญทอนความดีนี่เป็นการหนึ่งคนที่มีความโกรธความยำบาตมาก น, นี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความยำบาตมีความร้อนร้อนเผาผานผานจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทมโทมเมืม่อความคิด อารมณ์ฟุ้งซ่านรุงพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทรมนอย่างหนึง่งหรือีราการหนึ่งโทรมเพ่าโรคภัยไข้เจ็บก็ามาเบียดเบียนก็คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนอย่างหนึ่งและอี ร, ราการหนึ่งก็โทมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกาย ที่บริการหนึ่งเมื่อไปทำร้ายร่างกายเขาเขา้าไปทำอันตรายเขาเขา้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเขา้าคุกเขา้เขาตารางครานี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้ง ท, ทรัพย์สินโสมทั้งความสุขรวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่ไม่สาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุข ถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจะเงื้อมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่ไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาวุ น, นีคือพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะสงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและคนโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้ว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสรงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาา้าบ่ายทรงบังคับ ทรงตัดไว้เสมอว่าอาคาตาโรตถาคาตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกบอกแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ตามใจไม่มีกา ร, ารบังคับเพราะพุทธศาสนาไม่ขับแคบมีใจกว้างหอให้ทำตามก็ตามใจไม่ทำตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใคร มีความจริงมันยกย่องพระศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจกวางขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมาองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันเห็นว่าความโกรธความย่ำบาตรเป็นการเลือดรอยความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน เรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือว่าเสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขเพาคยความเมตตาปรานีเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วง ถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปฏิทัติหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดัน้นพระธรรมคาสอนของพระองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าคัานก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะขัน เห็นว่าคนทุกคนะะที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบันอดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลงช่วยกันวินิจฉัยว่าความรู้สึกท่านมินที่จะมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตหรือมันเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคต ต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีเมรว่าพอสอนนี้พอสอนหน้าพอสอนที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกาย ม, ม, MM. มันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มีเ <c oughs> <c oughs> กิดคดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก่อเดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงวันเริ่ม บ, บ่ายมันก่อนเดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก่อนเดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นทันลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดียยเด๋ยวนี้ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกัน ในความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพมิหันสี่มีสี่อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้สีอย่างนี่เป็นปัจจัยของความสุข <c oughs> ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดแล้วสารอรมณได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุดที่สุดตรงไหนที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟัง อันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทําความรู้สึกเมื่อเสมอว่าเราจะรักคนอื่นในสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่แต่อตอนเช้าจึงกว่จะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่าง เขาลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสาหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทํำร้ายเราเราก็ไม่ทํำร้ายคนอื่น เราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเราให้แตกเล้ากันไม่ใช่วาจาสําราดเราก็ไม่ทําอย่างนั้นแก่คนอื่น เราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ําเมารหะยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความระมัดให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็ไมย่ยุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลา เห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสําหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอการคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏแลเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคน เองก็คนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าแล้วก็ใช้อัจา ย, ยนักรรมยกมือไหว้ทําความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านหลองคิดดูว่ามันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันโกป ฏ, น ป, ปฏิวันทันปฏิวันทนังผู้ไหว้ยังไม่ได้ไหวตอบ บูชาลาบเตบูชาลาบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขาแล้วเขายิ้มให้เราแล้วไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแคะยิ้มมันเขไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม <c oughs> เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจาของเราเป็นเครื่องวัด ว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเศร้ตายถ้าเขายิ้มในความจริงจริงใจยิ้มในความมีสเสน่ห์เราก็แหมต้อความเกือบจะโดดจะนโดดเข้าไปกอดไปรัดฟัดเฟียงให้มันสมกับความดีของเขาที่ความรู้สึกอ็จมาเป็นแบบนี้นะ แต่วความรู้สึกของบรรดาท่านนั้นไหลไปยังไงเนี่ยแต่มาไม่ทราบเราไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับร่มคนอื่นเกี่ยวกับร่มคนพูดอย่างเดียวอันนี้เทาว่าเรารักเขาเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบาบอในโลกนี้เขาพยาหามได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้ก็สร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้น แต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทำความดีของเราทำสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราอย่าหวังผลตอบแทน เราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคค ล, ลอื่นสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองระการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรุณาสงสารรักแล้วไม่พออย่างสงสารด้วย หาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวหารมาแล้วก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไรสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดทั้งใจเรากันแล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขได้ไมไมีความทุกข์ เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราปเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปจเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปเพอเราสแสดงความดีเขาเขาไม่สแสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก่นแล้วกันเทวทัตทำกับองค์สมเด็จพระพักวันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธ ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักเราหนุ่ลูลกชายของเรานี่เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้มมารเราก็ต้องทําอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแ ก, แกล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทําเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัต ือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพมีหาร4คืกากาอกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่2องกรุณาและเมตตาเป็นปัจจัยการผูกมิตร ดุนายความสงสารในการเกลื่อนกลูเนสร้างเมตถีดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ยอมเป็นที่รักขาเป็นคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตาอมาบอกวาวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้ม ใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นคำสังส่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผล ในข้อหนึ่งที่องสมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกือกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเดะเห็นเขป่วยไข้ไม่สบายมาเอา้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ <c oughs> ถ้ามีอะไรพยาเกือ้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกําลังที่เราจะเพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทําอย่างนี้ก็าบางอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาโดยการดีสามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อฉาดเฉียบบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขา ส่งเสริมความดีที่เราพรอยินดีด้วยแต่เย็บเราส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกําไรเราต้องเป็นคนหากําไรกําไรที่เราจะเพึงได้มันจะมาจากไหนมันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทํำยังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญ เห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาได้เสียเขาพลอ ย, ยินดีด้วยแต่เทว่าเราก็ต้องเอากําไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกําไรกําไรที่แย่เพิ่อได้ได้ยังไงแต่ก็คือมองดูทเทวว่าพิจารณาให้ดีไหวผลนิ่งความดีผลนิ่งความสุขที่เขาแย่เพิ่อได้มานั่น ศักดิ์ศรีที่เขาพ้นได้มานั่งเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแทนแล้วก็อยปล่อยวินิจฉัยเฉยๆยาใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทำมาแล้วมาทำที่ด้วยมันจ ะ, จะได้ช่วยให้เรามีมความดียิ่งยิ่งขึ้นและสม่ำเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่าง จะขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอศิลขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิบัติ ท, ที่เขาทําอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนที่เขมีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครก็าังเกลียดว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจ เราเขาดีเราดีโลกก็มีความสูงนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อดีสี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีโอเบคาถ้ากฎุ้งกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บานหรืออะไรก็ตาม เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่าดีโอหนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เชียงใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทำความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นเป็นเป็นปัจจัยของความทุกข์ ในหนึ่งโลกกรรทำแปดราการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาบเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้ก็มีความรู้สึกว่าลาบมันจะต้องหมดไปเมื่อลาบหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบันดาศัก์ก็ทําความรู้สึกว่ายศถาบันดาศักนี่ใครเขาก็หากันได้ ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทุ่มเทไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมยื่อยศ์เขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเข้ามาสั่นเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสั่เสริญก็ยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสั่เสริญ์นมาเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วย ถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วแล้วก็ไม่ช่วด้วดยคํานินทาเราสันเสินเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคําสันเสินเขาเสินแล้วก็ยิ้มเขาวันนินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มสะอีกมันก็หมดเรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราสันเสินคนถ้าสันเสินเร า, าเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขาบ่นด่าว่านินทาเราเรายิ้ม เขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคานินทาด่าว่ามันไม่มีผลนกกักเขา้านักเข้าเขาขี้เกียจ ด, ดา่าขี้เกียจบ้าทนไม่ไหวเขาว่าเลิกดา่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทําเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาม ที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำเป็นคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถะภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าอยาทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา <c oughs> อุเบกขาระวางเฉยในโลกธรรมทั้งแปดประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แล้เมื่อวางเฉยในโะลกธรรมทั้งแปดประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระรหันเรายังไม่ได้เป็นพระนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีสิ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งวันไหวพับจับมันกดคอเขาไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กําลังต้องเข้าประหัรประหารกันกล่กาวลมนั้นใช้รมความดีเข้าประหารความชั่ว ถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่พิ่นาฏไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเอาเอ า, เอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุปเปกขาญาณสังขารุปเปกขาญาณหมายเขาวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ <c oughs> ขันห้าของใครที่ระวางเฉย แล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เชินแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่ที่ว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยก็รู้แล้วว่ามันจะป่วย ร่างกายเขาเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้ ว, ว่าเกิดรู้แล้ ว, ว่าเกิดมนแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้แล้วต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านก็พอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทำไมมันไม่มีอะไรจรรย์ยั่งยืน เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดสม้มเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเสถีมหาเสรษฐัมียหะาเฉยคมถียมั่งมีทรัพย์เหลือคณานับเราก็เฉยคมโาเสียรีกทําไมจริงเฉยเพราะไอ้ความร่ํารวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปันจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยเฉยใด้ความรวยถ้าใครเขานินทาว่าร้ายทําให้เขา ก็สะดวงสะเทือนใจเดิมหน่ายของความโกรธล้วก็เฉยมาเสีอีกฝ่ที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตไปความหลงไหลฝ่ายฝันในอามิตรคือรูปโฉมโนมพันุ์เราก็เฉยมันกิ๊กว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยไม่โชคเราพังแล้วกดแล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นบนจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใคร ในเมื่อกันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องอะไรที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภและไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อย่างนี้อารมณ์ของมันดาท่านพระสาวกข้ออ ง, องสมเด็จพระพุฒมีพระพ่าเจ้าที่กําลังรับฟังก็ชี้ว่าเป็นอารมณ์ข้ อ, อรหันเป็นอันว่าเราเจริญพรหมฐานสี่เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทําจิตใจให้เราเข้าสู่นิพพานได้ได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลา ก, ก่อนขอความสักสวัสิิ์ทีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีแด่ท่านผู้รับการรับฟังสวัสดี